เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังครับคุณสกลบอกว่าตอนนั้นแกเดินทางไปทางภาคอีสานเขตอำเภอโคกสำโรงรเผอิญนรถเกิดขัดข้องก็จำต้องจอดเพื่อแก้ไขในที่ไม่ไกลาจากที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านปักหลดอยู่ สถานที่ที่หลวงพ่อรูปนี้ท่านปักหลอดอยู่ในครั้งนั้นก็เป็นที่ไม่ไกลจากถนนพหลโยธินใกล้ๆกับภูเขานามว่าภูเขาควายซึ่งท้องที่ดังกล่าวก็อยู่ในเขตท้องที่อำเภอโคกสำโรงใกล้ๆบ้านห้วยโป่งจังหวัดลบบุรีนั่นเองและด้วยวิสัยอยากจะเข้าหาพระโดยเฉพาะพระที่ท่องทุดงอยู่แล้วพอทําการแก้ไขรถเสร็จก็ถือโอกาสเดินเข้าไปกราบนมัสการท่าน แรกๆ ก, ก็จะนมัสการถามถึงวัดที่ท่านเดินทางจากมาแต่เมื่อมาเห็นหัวกระโหลกคนที่ท่านวางอยู่ก็นมัสการถามเรื่องนี้เออผมอยากจะทราบเรื่องราวของเจ้าของหัวกระโหลกนี่ว่าประวัติเขาเป็นมาอย่างไงทำไมถึงได้มาอยู่กับหลวงพ่อล่ะครับแล้วญาติเขาไม่เอาไปบรรจุหรือว่าเอาไปเผาซะครับเรื่องมันยาวอะโยม เดี๋ยวขอเวลาให้อธตมาเดินไปสงน้ำที่ลำธารใกล้ๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังช่วยเฝ้ากรดให้ด้วยนะท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่จะเดินถือกาน้ำพร้อมกับผ้าอาบผืนหนึ่งเดินจากไปสักพักหนึ่งท่านก็เดินกลับมาคอยนานไ้ยล่ะแม่วันนี้สามวันแล้วเพิ่งจะเจอน้าก็เลยชําระร่างกายสะนานบ้านโยมอยู่ไกลไหมเนี่ย ไกลาจากนี้ไปประมาณรัก10บกิโลครับขับรถตอนกลางคืนแถวแถวนี้ไม่มีอันตรายเหรอก็ไม่ค่อยมีหรอกครับโดยเฉพาะรถเก่าๆอย่างรถผมเนี่ยไปไหนมืดค่ายังไงก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับเมื่อท่านได้นั่งในอาสนะบนผ้าพลาสติกของท่านเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพระทุดงที่ทราบนามท่านต่อมาว่าท่านชื่อหลวงพ่อนิดฉายาอาทิมุตโต ท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของเจ้าของหัวกะโหลกนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะโยมเมื่อหลายปีมาแล้วขณะที่อาตมาทุดงอยู่ในป่าเมือง เ, อเขตเมืองเพชรบูรณ์วันหนึ่งขณะที่พักปักกรดอยู่ในแถวป่าไม่ไกลหมู่บ้านก็มีคนหนุ่มสองคนเขาเอากะโหลกนี้มาถวายอาตมาก็เห็นว่าสมบูรณ์ดีก็ได้เก็บรักษาไว้ เพื่อเอาเป็นสิ่งแทนหมอนได้ในเวลาจำวัดแล้วก็เป็นอนุสร์เตือนใจไม่ให้เราประมาทอยู่ในรูปสังขารแล้วเรื่องราวทีม่มีความเป็นมาของเจ้าของหัวกะโหลกนี้มีไหมครับอ๋อมีสิเออเจ้าของหัวกะโหลกนี้เขาชื่อหนังสาวบุญนาคเจ้าหนุ่มสองคนที่นำมาให้อาตมานั้นเขาเล่าว่า เดิมนะเมื่อนางสาวบุญนาคคนนี้แกยังมีชีวิตอยู่เป็นเด็กสาวที่สวยมากอดีตนะเป็นถึงเทพีในหมู่บ้านใหญ่นะเลยทีเดียวแต่เพราะใครใไปขอแต่งงานด้วยเธอก็ไม่ยอมและด้วยความสวยที่จัดเป็นภัยอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นเพศหญิงอยู่มาวันหนึ่งนางสาวบุญนาคอดีตเทพีคนสวยนี้ได้ถูกเจ้าพวกหนุ่มๆที่เป็นอันธพาล ในแถวหมู่บ้านอื่นก็พากันไปรุมฉุดเธอแล้วก็พาเธอไปขืนใจแต่เพราะนางสาวบุญนาแก่ไม่ยอมเมื่อดินร่นต่อสู้พวกหนุ่มๆเหล่านั้นไม่ไหวปากของเธอที่ยังเป็นอิสระอยู่ก็ได้กู่ก้องร้องตะโกนให้คนช่วยดังๆก็ทําให้เจ้าหนุ่มใหญ่ในหมู่นั้นคนหนึ่งระงับการส่งเสียงของเธอด้วยการใช้ไม้ท่อนขนาดเคืง่งตีลงไปตรงที่ทัดดอกไม้ของเธอพอดี เธอก็เลยตายแล้วก็กลายเป็นหัวกะโหลกอยู่กับอาตมานี่แหละเอาหลวงพ่อแล้วเจ้าหนุ่มสองคนที่นำหัวกะโหลกมาถวายหลวงพ่อเนี่ยเขาก็คงรู้อะไรดีๆไม่ใช่หรือครับรู้ว่าเขามีส่วนสร้างกรรมครั้งนี้ด้วยครับก็อาจจะรู้ก็ได้นะคุณเพราะว่าในครั้งแรกนะ่ะอาตมาได้ให้เขาช่วยหาหัวกะโหลกคนตายให้เพื่อเอามาทำอสุภกรรมฐาน พอดีคนหนุ่มๆทั้งสองคนนะเขาได้รับอาสาไปหามาให้ซึ่งก็ด้วยความสงสัยเช่นเดียวกับคุณอย่างตอนนี้แหละอาตมาก็ได้ไต่ถามเรื่องเหตุเรื่องความกับเขาก่อนหลวงพ่อนิสท่านก็กรุณาเล่าถึงเหตุการณ์เรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอดีตเจ้าของหัวกระโหลกผีนี้ซึ่งท่านก็เล่าเป็นเชิงเป็นทีทีเหมือนคล้ายๆจะปรามโดยที่ไม่อยากจะให้คุณสกลเน่เล่าเรื่องราวความนี้ต่อ เพราะว่าเท่าที่สังเกตเห็นหลวงพ่อนิดพระทุดงองค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมในข้อวัดปฏิบัติทุกประการเหตุนี้สิ่งที่บ่งออกมาในทางสีหน้าของท่านนั้นหลวงพ่อนิดท่านเป็นพระผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่สมควรจะเรียนถามแต่เมื่อปากกราบเรียนถามไปแล้วท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังโดยเหมือนว่าเป็นพระที่ไม่สามารถจะพูดปดเรื่องอะไรกับใครๆได้คุณสกลก็ กราบเรียนถามเหตุความเรื่องราวที่เป็นสิ่งลี้ลับในหัวกะโหลกนี้ว่าเมื่อหัวกะโหลกนี้มาอยู่กับท่านแล้วได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีสิคุณไอเรื่องปาฏิหาริ์ที่เกิดมหัสัจจันลี้ลีล้ลับๆจากวิญญาณในหัวกะโหลกนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณหลายปีมาขณะที่อาตมากำลังเดินทุดงอยู่ตามชายแดน แถวเขตอำเภออารันในจังหวัดปราจินบุรีซึ่งสถานที่ที่อาตมาไปนั้นเป็นเขตแดนของประเทศเขมรแล้วก็ที่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นชาวเขมรป่าที่มีบ้านปลูกอยู่รวมกันประมาณสักสิบหลังคาเรือนวันหนึ่งเป็นเวลาตอนเช้าขณะที่อาตมาออกไปบินทบาทในหมู่บ้านและเมื่อได้กลับมาที่กรดพร้อมทั้งนั่งพิจารณาเพื่อจะฉันอาหารที่บินบาทได้มาอยู่นั้น ฉับพลันหัวกะโหลกของนางสาวบุญนาคที่ปกติอาตมาก็ใส่ไว้ในย่ามก็เกิดปาฏิหาริ์หมุนกลิ้งออกมาจากย่ามเหมือนกับของหนักที่กำลังไหลกลิ้งไปอย่างนั้นแหละก็ทำให้บาดของอาตมาที่มีข้าวและกลับเต็มอยู่หกลงเพราะว่าแรงของหัวกะโหลกเข้าไปชนตอนนั้นอาตมายังปฏิบัติใหม่ๆอยู่ก็เกิดชักมีอารมณ์เดือดขึ้นมาเหมือนกันก็ตัดสินใจว่าไม่ฉันลว อาหารบินธบาตเช้านี้รีบจัดแจงถอนกฎเก็บสัมภาระบริขารต่างๆเพื่อจะได้ออกเดินธุดงมุ่งสู่ป่าต่อไปแต่ขณะที่อาตมายังไม่ทันจะได้เก็บสัมภาระอัฐบริขารเหล่านี้ให้เรียบร้อยมีหมาที่มันตามมาตอนที่อาตมากลับมาจากบินธบาตตัวหนึ่งก็เกิดมีอาการชักดินชักงอมีน้ำลายไหลออกมาภูมิพายแล้วก็ตัวอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นอีก เหตุก็เพราะว่ามันไปกินอาหารที่หกออกมาจากบาทของอัตมานั่นเองทำให้อัตมารู้ได้แน่ว่าโอ้เรานี่หนอรอดตายมาได้เพราะเกิดจากปฏิหารการช่วยเหลือของหัวกะโหลกนางสาวบุญนาคโดยแท้เออหลวงพ่อครับพวกคนที่ใส่บาดเนี่ยคือพวกเขเมร้นนนะส่วนมากก็เป็นชาวพุทธแล้วทำไมพวกเขาถึงได้เอายาเบื่อใส่ผสมในอาหารให้พระฉันยางนั้นละครับ พวกเขาไม่เกรงกลัวบาปกรรมหรือครับอาตมาเพิ่งทราบตอนหลังนกคุณว่าพวกกลุ่มหมู่บ้านนั้นน่ะเขาเป็นพวกขเมเรสวยคือพวกนี้ชอบเล่นวิชาอาคมต่างๆและส่วนมากวิชานั้นก็จะเป็นทางเดรฉานวิชาคือทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดทุกข์อย่างเดียวไม่มีการทำให้สุขหรอกเป็นสยเวทอาคมดำที่พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสนใจ แล้วันนั้นนะ่ะพวกเขาก็ได้ทดลองวิชาสยเวทมนต์ดำนี้ว่าจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าทํานองนั้นก็เลยเอาพระธุดงอย่างอาตมานี่แหละทดลองแทนหนูตะเภาและเมื่อได้ทราบอาตมา ก, ก็ไม่ได้ทําใจโกรธแค้นอะไรพวกเขาเพราะในขณะนั้นก็เห็นใจว่าพวกเขาทั้งหลายนี่บางบ้านก็กาลังอบพยพลําบากอยู่ เพราะเนื่องโดยภัยสงครามที่ยังไม่มีสิ้นสุดนั่นเองและเมื่ออาตมาตั้งใจบวชมาเป็นพระแล้วก็ต้องเป็นได้ทั้งกายทั้งใจคือมีการให้อภัยพร้อมที่จะเสียสละชีวิ ต, ต้องตนเองได้เมื่อถึงคราวจำเป็นเพราะภัยทั้งหลายคือความตายที่ย่างก้าวเข้ามาในสภาพต่างๆนั้นทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องพบ แต่ทั้งนี้เมื่อชีวิตอาตมารอดมาได้อาตมาก็ไม่ลืมบุญคุณของนางสาวบุญนาคเขาหรอกนะซึ่งทุกครั้งเมื่อได้ออกจากการปฏิบัติจเจริญภาวนาวิสัมมาอราหังอาตมาก็จะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลจากการปฏิบัตินั้นไปให้วิญญาณของนางเสมอสังขารนองคนเรานี่นะคุณถึงแม้จะมีความสวยความรวยความจนอย่างไรแต่เมื่อสังขารมันละจิตแล้วสุดท้ายก็ จะได้กลายไปเป็นหัวกะโหลกอยู่อย่างนี้แหละไม่มีใครผู้ใดอยากจะจับต้องหรือแม้แต่อยากจะเข้าใกล้ก็ไม่มีทุกคนจึงควรจะหมั่นรักษากายวาจาใจของตนให้พ้นจากบาปผู้ใดคิดว่าสวยผู้ใดคิดว่ารวยก็อย่ามัวมาทะนงหลงสังขารกันอยู่เพราะเมื่อถึงวันตายร่างกายของพวกเราที่ว่าสวยๆนี่แหละก็จะไม่พ้นเป็นหัวกะโหลกซื่อๆอยู่อย่างนี้แหละ ในวันนั้นหลวงพ่อนิดพระทุดงองค์ที่ครอบครองหัวกะโหลกนี้อยู่ท่านก็เมตตาเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวิญญาณของอดีตเทพีผู้นี้ว่าเรื่องราวของนางสาวบุญนาคที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตของเขาถึงนางก็ได้เล่าให้อัตมารทราบแล้วโดยการติดต่อกันในทางสมาธิเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่ออดีตชาติก่อนที่นางจะได้มาเกิดเป็นนางสาวบุญนาค ในครั้งอดีตชาตินั้นนางได้เคยเกิดเป็นผู้ชายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านป่าชายหนุ่มอดีตชาติของนางสาวบุญนาคในครั้งนั้นก็มีชื่อเสียงชื่อก็ชื่อชื่อในนาคชื่อนาคเหมือนกันแต่เป็นนนาคเรื่องนี้อัตมาสอบถามในทางสมาธิแม้หลายครั้งนางก็ตอบว่าชื่อนาคชื่อเดียวกับชาติที่เกิดใหม่ เมื่อโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งก็มีภาระที่จะต้องนำสัตว์เลี้ยงคือฝูงแกะทั้งหลายไปยังทุ่งหญ้าที่มีป่าไม้บางแห่งเมื่อถึงตอนสายขณะที่นั่งเฝ้าฝูงแกะอยู่ที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่และเมื่อถึงยามเที่ยงแล้วเขาก็แก้ห่อใบตองที่มีกับแล้วก็ข้าวออกมากินจนร่างกายสุขสำราญดีไม่นานในนาก็นอนหลับไปเพราะบรรยากาศที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่เวลานั้น แม้จะเที่ยงขวาก็จริงแต่สายลมที่พัดมามันจะเหมือนพัดลมขนาดใหญ่ช่วยขับไล่ไอความร้อนกเอ็เหลือไว้แต่ความชุ่มเย็นสถานที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะแม้ตอนนั้นหรือว่าตอนนี้ก็จัดเป็นสถานที่หน้าพักหน้าหลับนอนคนแต่ก่อนหรือแม้แต่คนเดี๋ยวนี้ก็ต่างจะมักช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ในนาคหลับไปเป็นเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เห็นว่าผูงแกะทั้งหลายซึ่งมีอยู่สี่สิบกว่าตัวบัดนี้พวกมันอันตรธานหายไปจากสายตาแล้วซึ่งเมื่อก่อนจะหลับเนี่ยเขาจําได้ว่าผูงแกะทั้งหลายเนี่ยเขาได้ปล่อยให้พวกมันเล็มใบไม้และยอดหญ้าอยู่จากที่ตรงนั้นไปไม่ไกล แต่ขณะนั้นบริเวณที่แถวนั้นกลับมีกลุ่มของพวกสุนัขบ้านกำลังเห่าคล้ายๆ ย, ย, ยื้อยุดฉุดกระชากสิ่งใดอยู่ด้วยความเป็นห่วงพวกผูงแกะในนาโกวีรีบวิ่งไปเพื่อจะตามหาผูงแกะที่แตกกลุ่มแต่ผูงแกะบางตัวก็หลบเข้าป่าหนุ่มบุญนาคก็เลยต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเหมือนกันกว่าจะให้สัตว์ที่ไม่รู้ภาษีภาษาคนมารวมกันไดในสถานที่เดิม ด้วยความเหนื่อยเพราะประสาสั่งงานไม่เป็นไปตามปกติเนื่องด้วยการหลับนอนพักผ่อนไม่พอเวลาในนาคก็หันมาคว้าไม้ตะบองใหญ่ด้วยขาาโทษทั้งหลายที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะพวกผูงหมาทั้งหลายเหล่านั้นมันเห่ากันจนเป็นเหตุให้ผูงแกะของตัวได้ตื่นกลัววิญญาณของนางสาวบุญนาคเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเหล่าหมาทั้งหลายโดนนายบุญนาคถือไม้ กระบองหัวตีต่างก็วิ่งหนีหางชี้กันไปแทบหมดแล้วก็ในกลุ่มของหมาที่รวมเห่ากันโชครวมกันอยู่ประมาณแปตัวในเวลานั้นก็ยังมีหมาอีกสองตัวกําลังติดสัตว์กันอยู่มันก็เลยไม่สามารถจะวิ่งหนีไม้กระบองอันใหญ่ที่กําลังไล่หัวตีมาของ น, นายนาคไปได้ก็จัดว่าเป็นเพราะเคราะกรรมของนางหมาตัวเมียทันใดนั้นมันก็โดนไม้กระบองอันใหญ่หัวตีถูกเข้าตรงหัวพอดี ซึ่งแรงที่เหวี่ยงตีมานั้นอย่าว่าจะหมาธรรมดาธรรมดาเลยแม้กระทั่งสัตว์ที่แข็งแรงความหมาเช่นหมูหรือแม้กระทั่งหมีควายถ้าโดนแรงกระบองขนาดนั้นก็มีหวังตายแงะแงส่วนสําหรับเจ้าหมาตัวผู้คู่ที่ผสมพันธุ์เมื่อมันได้มีโอกาสมันก็รีบวิ่งหนีออกไปด้วยบุพกรรมอย่างนี้วิญญาณของนางก็เล่าว่าในชาติต่อมาจากที่เคยเกิดเป็น หนุ่มเลี้ยงแกะในครั้งนั้นนางก็ได้มาเกิดเป็นหญิงมีชื่อว่านางสาวบุญนาคและเป็นหญิงที่สวยงามคือเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นถึงเทพีแต่ก็มีอันต้องถูกชายอันพานทุกตีที่ศีรษะจนถึงแก่ความตายเรื่องราวนี้อาตมาเองก็ลืมสอบถามนางไปว่าพวกผู้ชายที่รุมทุบตีนางตายในชาตินี้นั้นพวกเขาก็คือสุนัขที่ตายในชาติก่อนแล้วก็กลับมาเกิดในชาตินี้มีบ้างหรือเปล่า ครับนี่คือเรื่องราวของเจ้าของหัวกะโหลกที่อดีตเธอเป็นเทพีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานี้คุณสกลมีเวลากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อ น, นิดท่านมาเท่านี้แต่ก่อนที่จะกราบนมัสการท่านลากลับคุณสกลก็ได้รับอนุญาตจากพระคุณเจ้าบอกว่าพรุ này, ่งนี้อาตมาจะถอนกรดออกไปไม่เกินสาโมงเช้าอยากให้เรื่องราวนี้เป็นคติสมจริง พรุ่งนี้ตะวันขึ้นน้ำมาถ่ายรูปหัวกะโหลกของนางไปซะนะมาถึงรุ่งเช้าคุณสกลก็มีโอกาสไปถ่ายรูปเธอมาในเวลาที่ท่านบอกกำหนดแต่ก่อนที่หลวงพ่อนิดพระธุดงจะจากไปพระคุณท่านก็ยังเล่าบอกเรื่องราวของนางสาบุญนาคอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าใครๆก็ถามอาตมาอยู่เรื่อยๆว่าอาตมาทำไมไม่เผาหัวกระโหลกของนางนี้สที เรื่องนี้อตาตมาขอบอกว่าเผาไม่ได้เพราะครั้งหนึ่งขณะที่อตาตมาปฏิบัติกิจอยู่ก็เคยไต่ถามความเรื่องนี้กับนางอยู่อตาตมาก็ถามเขาว่าบุญนาคเอ้ยบุญกุศลอะไรอะไรที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วอุทิศไปให้บุญนาคนั้นก็จัดเป็นเหตุการณ์ที่ติดต่อกันมาทุกวันซึ่งถ้าหากว่านับเป็นปีก็ผ่านมาหลายปีแล้ววิญญาณของหนูก็เห็นสมควรจะไปผุดไปเกิดได้แล้ว เขาก็ตอบว่าหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูจะอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่ออย่างนี้วิญญาณหนูก็สุขดีแล้วเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งหนูเองก็ได้กุศลจากการอุทิศด้วยจิตที่เมตตาของหลวงพ่อซึ่งการเป็นอยู่อย่างนี้วิญญาณของหนูก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วในที่ใกล้ๆน้ามีแต่จะเจริญและงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆหนูไม่ไปหรอกหลวงพ่ออย่ามาไล่หนูนะเขาว่าอย่างนี้ละโยม เรื่องของผีพยาบาทเรื่องนี้ครับเนนสมปองเล่าให้ฟังเนนสมปองนะบวช อ, อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองบ้านคำบกตําบลคำชะอีอำเภอ ม, มุกดาหารจังหวัดนครพนมท่านเล่าว่าวันนั้นหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จหลวงปู่โตยกตันตาศีโลท่านก็เอ่ยปากบอกว่าเนน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 พร้อมกันนั้นเสียงสุนัขที่นอนอยู่ใต้ถุนสลาข้างต้นโพก็ส่งเสียงเห่ากันโชคคล้ายๆมันเห็นอะไรสักอย่างหมาเห่าอะไระเนนหลวงปู่ก็คงยังไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าเนนก็ไม่ได้เอ่ยตอบท่านได้แต่ลืมตาขึ้นแล้วก็เงี้ยหูฟังว่าหมามันเห่านานไหมถ้านานก็จะจุดเทียนไขออกไปดูที่ระเบียงกุฏิท่านใด น, นั้นที่ใต้ถุนกุฏิที่พำนักอยู่คล้ายๆมีคนมาจับกลองเพลนที่ห้อยไว้ใต้ถุนกุฏิ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 ที่ร้ายเพราะนั้นมันยังแลบลิ้นยาวออกมาเกือบจะถึงตัวเนนที่ยืนตัวสันยังกระไขจับสันพร้อมกันนั้นก็สเสียงหัวเราะดังอยู่ตลอดเวลานะเนนสมปองถึงกระช็อกไม่มีสติอะไรอีกเลยทั้งคนทั้งเทียนไขที่อยู่ในมือตกลงบันไดไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีต่อเมื่อหลวงปู่ตยท่านได้ยินเสียงครมครำของเนนที่ตกบันไดท่านก็ได้ลุกลงมาดู เมื่อมาเห็นเนนนอนสลบหน้านิ่งอยู่ที่ตีนบันไดกุฏิก็เลยอุ้มให้ลุกขึ้นแล้วก็อุ้มขึ้นกุฏิไปรักษาพยาบาลโดยการเอารากไม้ของสมุนไพรที่เตรียมติดย่ามมาผนน้ําให้กินแล้วก็เอาอยาหม่องยาดมมาให้ดมจนรู้สึกตัวขึ้นมาเช้า ว, วันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็นำเอาอาหารขาวหวานลงมาถวายอาหารเช้าที่วัดเพราะไม่เห็นลวงปู่แล้เนนออกไปบินทบาทพอพวกเขารู้ข่าวว่าเนนถูกผีหลอก พวกเขาก็ถึงกับอุทานออกมาแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าผีอีแก้วเอาอีกแล้วไม่ยอมไปผุดไปเกิดเสียทีเรื่องมันเป็นยังไงระโยมหลวงปู่ท่านถามชาวบ้านคนนึงชื่อนายเคยซึ่งเป็นมรคนายกของวัดนายเคยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้ครับมีนายสอนซึ่งเป็นสัปเหร่อประจําอยู่ในหมู่บ้านนี้มันแอบไปได้เสียกับนางแก้วลูกของผู้ใหญ่พรม้ม จนตั้งท้องเสร็จแล้วนางแก้วมันให้ในายสอนรับเลี้ยงให้แต่งงานกับมันแต่ว่านายสอนไม่ยอมบายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนางแก้วตั้งท้องได้สมเดือนนางแก้วก็ให้ในายสอนแต่งงานอีกเพราะมันทนอับอายชาวบ้านไม่ได้ว่าท้องไม่มีพ่อต่อมานางแก้วก็มาอยู่กับนายสอนเฉยเยโดยไม่ได้แต่งงานอะไรทำให้ผู้ใหญ่พรมแก่โกรธมากถึงกับประกาศจะฆ่านายสอนทาให้ในายสอนกลัวก็เลยหนีข้ามโขงไปอยู่ฝั่งไทย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 เพราะประเพณีของชาวลาวใน ช, ชนบทนะเมื่อจะเผาศพใครก็จะนำมาเผากลางแจ้งแล้วก็จะนิมนต์พระเนนอยู่สวดบางสุคุณจากนั้นก็ให้พระเนนนั่งอยู่เป็นเพื่อนญาติพี่น้องจนฝ่าศพจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานแล้วถึงจะกลับบ้านได้ขณะที่นายสอนยืนเอาปืนยืน่นเข้าไปในกองปอนเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดคือมืออันหงอของศพนางแก้ว ยืนกมาที่คอในสอนอย่างรวดเร็วจนในสอนร้องเสียงหลงช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงในสอนร้องทําให้ผู้ใหญ่พรมได้สติรีบเข้าไปเพื่อช่วยแต่ก็สายเสียแล้วเพราะไวที่ไม่หนังเนี่ยมันทําให้มือที่จับคอในสอนรัดแรงเข้าไปอีกในสอนดิ้นทุรนทุรายจนร้องไม่ออกได้แต่ตะเกียกตะกายแต่ก็ไม่หลุดจากมือผีนางแก้วในที่สุดในสอนก็สิ้นใจตายอยู่ในกองควันของนางแก้วผู้เป็นคู่รักเขามันเอง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 เหตุการณ์ถูกผีหลอกครั้งนั้นทำให้สมณีนสมปองไม่เคยลืมมาตราบเท่าทุกวันนี้เลยครับ